แนะนำบทยูซุฟบทยูซุฟนี้เป็นบทมักกิยาะมี111องค์การซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องราวประวัติความเป็นมาของบรรดา น, นาบีในบทนี้ได้แยกกล่าวถึงเรื่องราวของนบียูซุฟบทของนบียากรูไว้อย่างละเอียดพอสมควรเป็นต้นว่าสิ่งที่เขาได้ประสบกับการทดสอบดานาชนิดได้รับการทรมานจากพี่ของเขาและคนอื่นๆในทำเนียบของผู้วารจการอียิปต์ รวมทั้งในคุกตลอดจนการวางแผนล่ ah. devant, Titan, อลวงของเหล่าสตรีในธรรมเนียมจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงบรรดาในเขารอดพ้นจากความหนักใจจุดมุ่งหมายในการนี้ก็เพื่อเป็นการปลอบใจท่านนับุีมมัสลลลลฮวาลายฮสลัมขณะที่ท่านกำลังประสบกับความคับขันและกลุ้มใจในการสูญเสียคนรักทั้งสองคนในปีเดียวกันคือคอดียะภรยาสุดที่รักของท่านและอบูตอริบ ุ่งของทานบทยูซุปนี้มีสำนวนโดดเด่นไม่เหมือนกับบทมัคิยะอื่นๆทั้งในด้านการใช้ถ้อยคำสำนวนการเรียบเรียงข้อความประวัติและเข้าโครงเรื่องก็เป็นที่เพลิดเพลินจับใจอีกทั้งการดำเนินเรื่องก็เข้าถึงจิตใจของผู้อา่านในรูปแบบที่นุ่มนวลนละมุน ล, ละไมไพเราะกลมกลืน่นและเข้าใจง่ายมีบรรยากาศแห่งความเอ็นดูความเห็นอกเห็นใจและความสงสาร ด้วยเหตุ น, นี้อะโตกล่าวว่าผู้ที่เศร้าโศกเมื่อได้ยินการอ่านบทยุซุบแล้วจะรับความสงบทางด้านจิตใจบทยุซุบถูกประทานลงมาแก่ท่านสุลต์สโลลลอห์อะไลวะสลัมขณะที่ท่านอยู่ในภาวะขับขันและวิกฤตในการดําเนินชีวิตเพราะในระยะนั้นท่านและบรรดาผู้ศรัทธาได้รับความทุกข์และโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งในการสูญเสียผู้ให้ความสนับสนุนท่านในการเผยแพร่ศาสนาทั้งสองคน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 การทดสอบจากการล่อลวงและการหลงรักของภรยาผู้วารจการการทดสอบในการติดคุกหลังจากการมีชีวิตอย่างสำราญในรั้วนในวังจงดูซิว่ายูซุฟมีความอดทนอย่างไรต่อการทดสอบนังกล่าวท่านี้เป็นการต่อสู้เพื่อการสร้างศรัทธาเพื่อความถูกต้องและสัจธรรมยูซุฟได้อดทนต่อภัยอันตรายและการทดสอบนานาประการ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 ผู้ใดที่มีความอดทนหนักแน่นต่อการทดสอบจะต้องทำจิตใจเข้มแข็งเพื่อเผชิญกับการทดสอบจะต้องทำจิตใจเข้มแข็งเพื่อเผชิญกับการทดสอบที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดเขาจะรับการตอบแทนที่คู่ควรเหมาะสมทุกประการเช่นเดียวกับบรรดารอซูลในอดีตสาเหตุของการประทานบทนี้มีรายงานว่าพวกยะฮุดได้ถามท่านรอซูลลลอฮซล ล, ลอฮ์หัวไลฮิวะซัลลัม ถึงเรื่องราวของนบียูซุฟและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง น, นาบียูซุฟกับพี่ๆของเขาส่วนนี้จึงถูกประทานลงมาบหด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟลามรอทิลกอายาตุลคิตาบิลมบีนอลิฟลามรอ เหล่านี้คือองค์การทั้งหลายของคำภีที่ชัดแจ้งแท้จริงเราได้ประธานอัลกุรอานลง ม, มาเป็นภาษาอาหรับเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาคิด เราจะเล่าเรื่องราวที่ดียิ่งแก่เจ้าตามที่เราได้ประทานองค์การอัลกุรอนี้แก่เจ้าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ไม่ทราบเรื่องราวออกกบบร ك ك ช่วงดำลึกถึงขนาดที่เขากล่าวแก่พ่อของเขาว่าโอ้พ่อจา๋าแท้จริงฉันได้ฝันเห็นดวงดาวส1อดดวงและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ฉันฝันเห็นมันคววารวะต่อฉันเขาอยะกูกล่าวว่าโอ้ลูกรักเอ๋ยเจ้าอย่าได้เล่าความฝันของเจ้าแก่พี่น้องของเจ้าเป็นอันขาดเพราะพวกเขาจะวางอุบายแก่เจ้าอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม แท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งแก่มรุ่ง อบล ال และเช่นนั้นแหละพระผู้อวยบานของเจ้าทรงเลือกเจ้าและทรงสอนให้เจ้ารู้วิชาทำนายฝันและทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์สมบูรณ์แก่เจ้าและวงวานของยากร์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงให้ความโปรดปรานสมบูรณ์แก่ปู่ทั้งสองของเจ้ามาก่อนแล้วคืออิบราฮีมและอิสหะ แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญแท้จริงเกี่ยวกับยูซุฟและพี่น้องของเขานั้นมีสัญญาหลายประการสำหรับสอบถาม จงระเลิกถึงขนาที่พวกเขากล่าวกันว่าแน่นอนยูซุฟและน้องของเขาเป็นที่รักแก่พ่อของเรายิ่งกว่าพวกเราทาั้งที่พวกเรามีจำนวนมากแท้จริงพ่อของเราอยู่ในการหลงผิดจริงๆ อ, อ พวกเจ้าจองอย่าฆ่ายูซุฟเลยหรือเอาไปทิ้งในที่เปลี่ยวเสียเพื่อความเอาใจใส่ของพ่อของพวกเจ้าจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นกลุ่มชนที่ดีหลังจากเขาข้าล่าข่าวอืนๆของพวกเนั้นท่ล่ายูซุฟและเอาเขาไี่เปล คนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าอย่าฆ่ายูซุฟเลยแต่จงโยนเขาลงไปในบ่อลึก เพื่อผู้เดินทางบางคนจะได้เอาเขาออกมาหาพวกเจ้าจำต้องกระทำเช่นนั้นพวกเขากล่าวว่าโอ้คุณพ่อของเราทำไมท่านไม่ไว้ใจเราที่มีต่อยูซุและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้เอาใจใส่ต่อเขา ลลพรุ่งนี้ขอให้ส่งเขาไปกับเราเพื่อเขาจะได้กินอิ่มและเล่นอย่างสนุกและแท้จริงเรานั้นจะเป็นผู้ดูแลกอาวอินนีละพซุนนีอันจะเดินไวละกลัววาจะกินเขาอบวะพวกทุานจะไมรูน เขากล่าวว่าแท้จริงมันจะทําให้ฉันเศร้าใจเมื่อพวกเจ้าจะเอาเขาไปและฉันกลัวว่าสุนัขป่าจะกินเขาขณะที่พวกเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ต่อเขาพวกเขากล่าวว่าหากสุนัขป่ากินเขาทั้งๆ ท, ท, ที่เรามีจํานวนมาก ดังนั้นพวกเราก็เป็นผู้ขาดทุนอย่างแน่เมื่อพวกเขาพาเขาไปพวกเขาตกลงกันว่าเจ้าเขาโยนลงไปในบอฤิก และเราได้ประธานโองค์การแก่เขาคืออยู่ซุกว่าแน่นอนเจ้าจะได้เล่าแก่พวกเขาถึงการการะทำของพวกเขาในครั้งนี้โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกและพวกเขาได้กลับมาหาพ่อของพวกเขาเวลาค่ำพลางร้องให้ พวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราพวกเราได้ออกไปวิ่งแข่งกันและเราได้ปล่อยอยูซุฟไว้เฝ้าสิ่งของของเราแล้วสุนัขป่าได้มากินเขา และท่านย่อมไม่เชื่อเราทั้งๆ ท, ที่พวกเราเป็นผู้พูดจริงและพวกเขาได้นำเสื้อของเขามามีเลือดปลอมติดอยู่เขากล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้น เพื่อพวกเจ้าดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดีแล้วราบทรงเป็นผู้ความช่วยเหลือต่อสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้าง ت س ي ر َ ت ُ م فَأرسلوا وَرِدَهُمْ فَأَدْلَى د َ ل َْ ه َُ ا ل َ يَا ب ُ ش ْ ر َ هَذَا غ ُ ل َ ا م وَأَسَرُوهُ ب ِ ض َ ع َ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا ي َْ م َ ل ُ و ن َ และคณะเดินทางได้มาถึงแล้วพวกเขาก็ได้ส่งคนแบกน้ำของพวกเขาไปตักน้ำจากบ่อเขาได้หย่อนถังของเขาลงไปในบ่อเขากล่าวว่าโอ้ข่าวดีจริงๆนี่มันเด็กนี่และพวกเขาได้ซ่อนเขาไว้เป็นสินค้า แต่เราทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำและพวกเขาได้ขายเขาไปด้วยราคาที่ถูกนับได้ไม่แพงนนะัก وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرم مكواه عسايا فعنا أونا تأخذه ولدا وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. และผู้ที่ซื้อเข้ามาจากอียิปต์กล่าวกับภรรยาของเขาว่าจงให้ที่พักแก่เขาอย่างเหมาะสมบางทีเขาจะทำประโยชน์ให้กับเราได้บ้างหรือรับเขาเป็นบุญบุญธรรมและเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้ยูซมุมีอำนาจในพันดิน และเพื่อเราจะได้สอในให้เขารู้วิชาทำนายฝันแล้วเราทรงเป็นผู้พิชิตในกิจการของพระองค์แต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้และเมื่อเขามาลุวัยหนุ่มชะกันเราได้ความสุขรอบครอบและวิชาการแก่เขาเช่นนั้นแหละ เราตอบแทนการบดาผู้กระทำความดี。وراودته التي هو في بيته ا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون และนางได้ยั่วยวนเขาโดยที่เขาอยู่ในบ้านของนางและนางได้ปิดประตูอย่างแน่นและกล่าวว่ามานี่สิเขากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่อลอแท้จริงเขาสามีของนางเป็นนายของฉันให้ที่พักพิงที่ดียิ่งแก่ฉัน แท้จริงบรรดานผู้อาธรรมจะไม่บรรลุความสำเร็จและถ้าจริงนางได้ตั้งใจมั่นในตัวเขาและเขาก็ตั้งใจในตัวนาง หากเขาไม่เห็นหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของเขาเช่นนั้นแหละเพื่อเราจะให้ความชั่วและการลามกห่างไกลาจากเขาแท้จริงเขาคือคนหนึ่งจากปวงเบาของเราที่บริสุทธิ์ใจ และทัส้สองได้วิ่งไปในที่ประตูและนางได้ดึงเสื้อของเขาจากด้านหลัง และต้้งสองได้พบสามีของนางที่ประตูนางกล่าวว่าอะไรคือโทษของผู้ประสงค์ร้ายต่อภริยาของท่านนอกจากการจำคุกหรือการลงโทษอย่างเจ็บปดว ด, นนดลดบล เขากล่าวว่านางได้ยั่วยวนฉันและพยานคนหนึ่งในบ้านของนางได้เป็นพยานหากเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหน้าดังนั้นนางก็พูดจริงและเขาก็อยู่ในหมู่ผู้กล่าวเท็จ د د และหากว่าเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหลังนางก็กล่าวเท็จและเขาอยู่ในหมู่ผู้พูดจริงแต่ล่ะร้าคมิซฮูคดมิดบรินกาลอินนฮูหมินคยดคุณอินคยดคุนนั่ ดังนั้นเมื่อเขาเห็นเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหลังเขากล่าวว่าแท้จริงมันเป็นอุบายของพวกเธอแท้จริงอุบายของพวกเธอนั้นยิ่งใหญ่หนักยูซุฟอภรรดันฮาดะวอสตอฟซิลิดาบิกอินนักิคุนติมินัลขาติยูซุฟจงหันหลังให้เรื่องนี้เถิดและเธอจงขออภัยความผิดของเธอ และวพวกผู้หญิงในเมืองกล่าวว่าภริยาของผู้ว่าได้ยั่วยวนเด็กรับชายของนางแน่นอนเขาทำให้นางหลงรัก แท้จริงเราเห็นนางอยู่ในการหลงคิดอยาชัดจ้ง فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ เมือ่นาาอาานางได้ยินเสียงวิจารณ์ของนางเหล่านั้นนางจึงส่งคนไปยังนางเหล่านั้นและนางได้เตรียมที่พักพิงสําหรับนางเหล่านั้นและได้นํามีดมาให้ทุกคนในหมู่นางเหล่านั้น และนางกล่าวแต่เขาว่าจงออกไปหานางเหล่านั้นเถิดเมื่อนางเหล่านั้นเห็นเขาก็ไอการสรรเสริญและเฉือยมือของตัวเองและกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นแน่ ไม่ใช่อื่นใดนอกจากมะลักผู้มีเกียรนนตินั่นและ่ลวนนัว่าลวฉนนานัวลกอ่นคือเาสิ่งที่พักเธตอประนามฉันเกตอี่ยวกับอเขาอออาอาอาางาา่อ่งที่เอาเี่เขา และแน่นอนฉันได้ยั่วยวนเขาแต่เขาขัดขวางอย่างแข็งขันและหากเขาไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันสั่งเขาแน่นอนเขาจะถูกจำคุกและอยู่ในหมู่ผู้ยอมจำนวน เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันคุกนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันมากกว่าสิ่งที่พวกนางเรียกร้องฉันไปสู่มันแลหากพระองค์มิทรงให้อุบายของนางพ้นไปจากฉันแล้วฉันอาจจะโน้มเอียงไปหาพวกนางและฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้โง่เขลม ดังนั้นพระผู้อิบาปของเขาได้ตอบรับเขาแล้วแล้วพระองค์ทรงให้อุบายของพวกนางพ้นห่างไปจากเขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้มมมมรเมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่เขาหลังจากที่ได้พบเห็นหลักฐานอันชัดแจ้งก็ลงความเห็นว่า وَدَخَلَ مَعَهُ ا ل س ِّ ج ن َ ف َ ت َ ي َ ا ن قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ا ل َْ خ َ ر ُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ นมและชายหนุ่มสองคนมหาดเล็กได้เข้าคุกพร้อมกับเขาหนึ่งในสองคนกล่าวว่าแท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันคันเล่าและคนหนึ่งกล่าวว่าแท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันแบกขนมปังไว้บนศีรษะของฉันแล้วนกได้มากินจงบอกเราถึงการทํานายฝันด้วยแท้จริงเราเห็นท่านอยู่ในหมู่ผู้ทําความดี قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت م ل ت ق ْ من لا يؤمنون بالله وهم ب ا ل آ خ ر ِ ه م كافرون. قلعوا <تصفيق> อาหารที่เจ้าทั้งสองจะได้รับยังมาไม่ถึงเจ้าทั้งสองเว้นแต่ฉันจะบอกเจ้าทั้งสองเป็นการทำนายมันก่อนที่มันจะมาถึงเจ้าทั้งสองและนั่นแหละคือสิ่งที่พระผู้อวบานของฉันส่งสอนฉันแท้จริงฉันได้ละทิ้งแนวทางของกลุ่มชนผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และพวกเขาเป็นพวกที่ปฏิเสธศรัทธาต่อวันประโยก และฉันได้ดำเนินตามแนวทางของบรรพบุรุษของฉันคืออิบราฮีมและอิสหะและยาคูบ ไม่เป็นการบังควรแก่เราที่จะตั้งพาคีด้วยสิ่งใดต่อารอกนั่นมาจากความโปรดปรานของอัลลอ์แก่เราและแก่มนุษยียชาติแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณอบบ ال โอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอยพระเจ้าหลายองค์ดีกว่าหรือว่าอัลลอ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรง ما تعبدون من دونه إلا أسماء س م ي ت ه ه ا سميتهمها. อออินลลลลลมมรูคกสิ่งที่พวกเจ้าเคารพพักดีอื่นจากพระองค์ไม่ใช่อื่นใดนอกจากบรรดาชื่อที่พวกเจ้าและบรรดาบรรพบุรุษของพวกเจ้าใช้เรียกเท่านั้นอลัลลอฮ์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานในเรื่องนี้ลงมา การตัดสินไม่ได้เป็นสิทธิของใครนอกจากอัลลอะ์พระองค์ทรงใช้ไม่ให้พวกเจ้าเคารพภักดีสิ่งใดนอกจากพระองค์เท่านั้นนั่นคือศาสนาที่เที่ยงธรรมแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ยมมมมบอร โอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอย่ยส่วนคนหนึ่งของเจ้าทั้งสองเขาจะรินเหล้าให้หนายของเขาและส่วนอีกคนหนึ่งจะถูกแขวนตริงแล้วนกจะกินศีรษะของเขาเรื่องถูกกําหนดไว้ตามที่เจ้าทั้งสองขอความ แล้วเขากล่าวแก่คนที่เขาคิดว่าจะพ้นโทษในทั้งสองคนว่าจงเล่าเรื่องของฉันแก่นายของเจ้าด้วยแล้วชัยตอนได้ทำให้เขาลืมเรื่องของเขาคืออยู่สุฟนที่นายของเขา เขาจึงอยู่ในคุกอีกหลายปี。 และกษัตริยาาร์ได้ตรัสว่าแท้จริงฉันฝันเห็นวัวตัวเมียอ้วนเจ็ดตัวถูกวัวผอมเจ็ดตัวกินพวกมันและรวงข้าวเขียวเจ็ดรวงถูกรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงรัดมันโอ้คุณนางทั้งหลายเอ๋ยจงอธิบายการฝันของฉันนี้ให้แก่ฉันหาพวกเจ้าเป็นผู้ทำนายฝันได้ ن ن พวกเขากล่าวว่าเป็นการฝันที่สับสนและพวกเราไม่ใช่ผู้รู้ในการทำนายฝัน ال เขาผู้รอดพ้นคนหนึ่งในสองคนดำลึกขึ้นมาได้หลังจากชั่วระยะเวลาหนึ่ง กล่าวว่าฉันจะขอบอกท่านถึงการทำลายฝันพวกท่านจงส่งฉันไปสิยยส ق ลั่งลี่อาร์จิอุเอล้านนัสลั่งล่ะม์ลมุยูสุผู้มีสัจจะเอ๋ยจงอธิบายกัเราถึงเรื่องอัวตัวเมียอ้วนเจ็ดตัวถูกวัวผอมเจ็ดตัวกินและรวงข้าวเขียวเจ็ดรวงถูกรวงข้าวแห้งเจดรวงรัดหวังว่าฉันจะกลับไปหาพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้ร <kah s> <ata> ู <rapper> ้เ <unanim> ร <ous> ื่อง قال ت ز ر ع و سبع سنين دابا فما حصدتم ف د ر و في س ب ُ ب ُ ر ه ل ا ق ل ي ل ا ل ا ق ل ي ل ا م م ا ت ك ل و ن ูสุบอกว่าพวกท่านจะต้องเพาะปลูกเป็นเวลาเจปีต่อเนื่องกันสิ่งที่พวกท่านเก็บเกี่ยวได้ก็จงปล่อยมันไว้ในรวงของมัน เว้นแต่ส่วนน้อยที่ท่านจะใช้เป็นอาหารุ่มมา يأتي من بعد ذلك سبع ش หลังจากนั้นเจ็ดปีแห่งความแรนแค้นจะติดตามมามันจะกินสิ่งที่ท่านสะสมไว้สำหรับปันนอกจากส่วนน้อยที่ท่านจะเก็บเอาไวท้ทาปัน หลังจากนั้นปีที่ผู้คนจะได้รับฝนติดตามมาและในปีนั้นพวกเขาจะได้ขันอังกฤษ และกระสันกล่าวว่าจงนำเข้ามาหาฉันสิเมื่อคนนำข่าวมาหาเขาเขากล่าวว่าจงกลับไปยังนายของเจ้าแล้วถามปรงถึงเรื่องผู้หญิงที่เฉือนมือของนาน แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ถึงอุบายของพวกนาคเหล่านั้น